บัณฑิตจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสืบต่อไปจะได้กล่าวในสมาธิฏิข้อสุดท้ายที่ท่านใช้คำว่าปัจเจเวคคณะสมาธิฏิซึ่งแปลเป็นใจความว่าปัญญาเห็นชอบที่เกิดขึ้นด้วยการ พินิษพิจารณาเฉพาะเรื่องลงไปคำว่าปัจเจเวคณะนอกจากจะแปลโดยนัยะดังที่กล่าวแล้วยังแปลว่าพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาเพื่อเป็นการปรับสภาพจิตของบุคคลให้ยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่ทรงแสดงเอาไว้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไร เพราะว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัจสรู้และทรงสแสดงไปนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากมีความสงบประนีตบุคคลทั่วไปไม่อาจจะนึกดาวเอาหรือคาดคะเนเอาแต่เป็นเรื่องของบัณฑิตผู้ใช้ปัญญาพินิพิจารณาแล้วเท่านั้น จึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงตามที่ทรงแสดงไว้ได้ดังนั้นเรื่องอันใดก็ตามในพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องจะต้องคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆคร้กลวนบ่อยๆเพื่อปรับสภาพจิตของบุคคลให้ยอมรับความจริงในสิ่งนั้นๆท่านจะใช้คำว่าปัจจเวคณะ เช่นในกรณีของการบริโภคใช้สอยปัจจัยสีคือเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งคมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็ทรงสอนให้ผู้ใช้สอยพินิษพิจารณาเสียก่อนโดยคำหนึ่งถึงลักษณะของสิ่งเหล่านั้นวัตถุประสงค์ในการใช้สอยปัจจัยเหล่านั้น แล้วให้สวจสอบดูว่าสําเร็จประโยชน์หรือไม่ถ้าสําเร็จประโยชน์ก็ถือว่าปัจจัย4เหล่านั้นอํานวยประโยชน์ให้เต็มที่แล้วในการบริโภคอาหารก็ทรงสอนให้พิจารณาว่าการบริโภคอาหารของเรานั้นไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่ออเล่ตอร่อยเพื่ออ้วนพีหรือเพื่อแสดงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่แท้แล้วการบริโภคอาหารนี้เพียงเพื่อขจัดความหิวคือเวทนาเก่าป้องกันความหิวคือเวทนาใหม่และให้ร่างกายมีกําลังเจริญเติบโตสามารถประกอบกิจการงานได้เท่านั้นดังนั้นอาหารที่แท้จริงจึงเป็นอาหารของกายไม่ใช่อาหารของใจ แมว่าบุคคลจะบริโภคอาหารวิจิตรพิสดารอย่างไรเข้าไปก็ตามแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายที่จะจัดการดูดซึมหรือขับออกไปร่างกายขาดอะไรขาดเกลื อ, ข า, ลอขาดแคลเซียมขาดโปรตีนอะไรเท่าไหร่แกก็จะดูดซึมเข้าไปนอกกนั้นก็จะกลายเป็นกาก ดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลรู้วัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารแล้วก็จะตัดความกังวลความห่วงใยการใส่ใจถึงรสชาติของอาหารแต่ว่าจะบริโภคเพื่อต้องการขาจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีกำลังจเจริญเติบโตสามารถประกอบกิจการงานได้เท่านั้น อย่างที่ท่านใช้คําเป็นภาษาบาลีว่ายาปนนอมตังคื อ, อย่างอัตภาพไม่ให้เป็นไปไม่ให้สุโยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ให้สุดโสมเท่านั้นก็ชื่อว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารแล้วถ้าบุคคลสามารถปรับจิตของตนเองให้ยอมรับถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารโดยนยะดังที่กล่าวมาแล้ว ความเดือดร้อนในเรื่องการแสวงหาในเรื่องการบริโภคในเรื่องอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยตลอดจนถึงกับต้องไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเพื่อบริโภคอาหารอร่อยก็จะหมดไปนอกจากจะเป็นการปรับสภาพจิตของคนให้โปร่งเบาสบายแล้วยังช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้แก่บุคคลได้อีกด้วยแต่เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่คนทำความเข้าใจได้ยากคือยอมรับได้ยากดังนั้นจึงทรงใช้คำว่าปัจเจเวคณะคือต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นๆพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาไปไปในการบริโภคยาแก้ไขกรเมือกันเรื่องยานั้นจุดประสงค์ในการบริโภคยาหรือรับประทานยา ก็เพื่อขจัดอาพาธ ท, ที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อสามารถขจัดอาพาธได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการเสร็จสิ้นกันบุคคลไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหายาชนิดที่เรียกว่าอายุวัฒนะบ้างยาอะไรต่อมีอะไรซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองและสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ดังนั้นแม้ในขั้นของการใช้สอยยาก็ต้องพิจารณาว่ายานั้นรับประทานไปเพื่อแก้โรคเท่านั้นและควรจะแก้โรคตามที่แพทย์ก็บอกเอาไว้คือแพทย์จะเป็นคนสั่งยาให้เองไม่ซื้อยารับประทานเองการพิจารณาแล้วบริโภคยาโดยโดยในยะนี้นอกจากจะเป็นการช่วยให้ยานั้น สามารถบำบัดขจัดโรคได้แล้วยังเป็นการช่วยประหยัดและการบริโภคยาผิดไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณากลับไปกลับมาซ้ำซ้ำซากซาจนปรับจิตยอมรับได้แล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้อีกเป็นอันมากสีเดียว อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวว่าคนไทยเรานั้นรับประทานยามากเหลือเกินปีหนึ่งปีหนึ่งเราต้องเสียดูลการค้าเพราะซื้อยามาจากต่างประเทศเป็นพันพันล้านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะส่วนมากแล้วจะรับประทานยาไปตามที่เขาโฆษณากันเ้าตั้งตนเป็นหมอเองบางทีก็หมอคือคนขายยานั้นเป็นคนจัด ก, การให้บางครั้งเพื่อนฝูงก็บอกให้ บางครั้งคนอื่นก็โฆษณาแล้วก็ไปซื้อหายาเหล่านั้นมารับประทานกันก็ให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุยังอาจจะทำให้รับประทานยาผิดจนเกิดเป็นทุกข์เป็นภัยขึ้นมาอีกก็ได้เรื่องนี้จึงทรงสอนให้พิจารณาบ่อยๆกลับไปกลับมาอยู่เสมอเช่นเดียวกันในเรื่องที่อยู่อาศาัยกับเครื่องนุง่งห่มก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นตัวการที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเป็นนั้นมากมีการประกวดประขันตกแต่งกันเพื่อแสดงฐานะความสวยงามแต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้ววัตถุประสงค์ในการนุ่งห่มนั้นก็มุ่งที่จะป้องกันเหลือบยุงหนาวร้อนลมแดดต่างๆไม่เบียดเบียนร่างกาย จุดปุ่งหมายที่สําคัญก็คือปกปิดอวัยวะที่ควรแก่การปกปิดถ้าหากว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วได้ขอเพียงแต่ให้เสื้อผ้าสะอาดนุ่งห่มให้เรียบร้อยก็เชื่อว่าสาเร็จประโยชน์ในการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มแล้วถ้าคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องนุ่งห่มดังกล่าว ก็จะช่วยตัดปัญหาในเรื่องความวิตกกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องเครื่องนุ่งห่มได้เป็นอันมากทีเดียวแต่เรื่องนี้ก็อีกเช่นกันคนปรับใจให้ยอมรับได้ยากจึงทรงสอนให้เป็นปัจเจเวคขณะคือพิจารณาบ่อยๆพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาเจาะจงเรื่องนั้นๆจนปรับจิตให้ยอมรับได้ ในด้านที่อยู่อาศัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการมีที่อยู่อาศัยก็คือเพื่อตั้งหลักตั้งฐานเป็นครอบเป็นครัวป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุงลมแดดอันตรายจากความเปลี่ยนแปลงแห่งฤดูเป็นต้นเมื่อสถานที่อยู่สามารถอำนวยประโยชน์ให้โดยนัยะดังกล่าวแล้วได้ก็ชื่อว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการอยู่ ณนะห้องณนะบ้านสถานที่นั้นๆแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายในการประกวดประขันกันเพื่อสร้างบ้านให้ใ ห, ใหญ่โตมหูลานขึ้นมาเพราะบ้านยิ่งใหญ่เท่าไหร่นั้นแทนที่จะอำนวยความสุขให้กลับจะอำนวยความทุกข์ความมิตกกังวลเพิ่มภารกิจรายจ่ายอะไรต่อมิอะไรอีกเป็นอันมากดังนั้นเรื่องของปัจจัยสี่จึงเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอยู่ตลอดเวลาและเป็นอันมากคนเป็นอันมากที่ต้องเดือดร้อนเพราะปัจจัยทั้ง4ประการนี้ซึ่งส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มแต่ถ้าได้พินิษ์พิจารณาบ่อยๆโดยนิยัดดังที่กล่าวแล้วความรู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักเหมาะจักควรก็จะบังเกิดขึ้น ความโปร่งเบาสบายก็จะปรากฏภายในจิตของบุคคลนั้นๆและอีกประการหนึ่งอย่างบทสวดที่สวดกันซึ่งทรงใช้คำว่าอภินะปัจเวคขณะคือหมายถึงการใช้ปัญญาพินิษฐ์พิจารณาเนืองเนืองพิจารณาบทปล่อยกลับไปกลับมาเฉพาะเรื่องนั้นนั้นโดยให้ปรับจิตยอมรับถึงความจริงแห่งชีวิตว่า คนเราเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาอันความแก่นั้นแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกเรียกว่าแก่ปิดคือความเจริญเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาวความแก่ในช่วงนี้ที่จริงก็เป็นความแก่อย่างเด็กเล็กๆแกเรียกเด็กที่โตกว่าว่าแกกว่าแ ก, กหมายความว่าเป็นความแก่ประการหนึ่ง ท่านใช้คำว่าปฏิจันนชราคือความแก่ที่ปกปิดแต่เมื่อร่างกายได้ผ่านวัย40ไปแล้วหรือ30เลยเลยไปแล้วความแก่ย่อมปรากฏชัดเจนขึ้นมาด้วยความทุพพลภาพในด้านต่างๆความเปลี่ยนแปลงในด้านอวัยวะเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันคนเราทั้งๆที่ทเห็นคนอื่นเขาแก่แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นแก่ตนแต่บุคคลก็ยังเดือดร้อนด้วยความแก่จนถึงเพียรพยายามจะรอความแก่ด้วยกรรมวิธีต่างๆทางวิทยาศาสตร์แทนที่จะปรับใจให้ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ คุณค่าของชีวิตนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายหนุ่มสาวหรือแก่เท่าแต่ว่าอยู่ที่ว่าบุคคลได้ใช้ช่วงของชีวิตซึ่งตนมีอยู่เป็นอยู่นั้นให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นเท่านั้นยิ่งเมื่อแก่เข้าต้องหากว่าบุคคลได้สร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นบ่าชีวิตของตนได้ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะแล้ว อะไรที่ควรแก่การกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นก็รีบเร่งกระทำบำเพ็ญไปนอกจากจะสร้างความสุข ก, กายสบายใจให้บังเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องไปกังวลหมกมุ่นคุ้นคิดเสียอกเสียใจในเรื่องของความแก่ที่เกิดขึ้นแล้วยังสามารถสร้างความดีอันเป็นอนุามินีคืออาจติดตัวตนไปในภายภาคหน้าได้ เรื่องของความแก่ทั้งๆที่เห็นกันอยู่อย่างนี้แต่ใจนั้นไม่ยอมรับจึงทรงสอนให้มีปัจจเวกนะได้แก่การพิจารณาหนึ่งๆจนเกิดปัญญาเห็นชอบยอมรับถึงความจริงว่าคนเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ในด้านความเจ็บไายได้ทุกข์ก็เหมือนกัน ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นธรรมประการหนึ่งไปจำชีวิตของคนซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องประสบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทั้งท้งที่ชีวิตเป็นเช่นนี้พอเกิดการเก็บเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เดือดร้อนวุ่นวายกันมีตกกังวลกันด้วยประการต่างๆแน่นอนขั้นของการเยียวยารักษานั้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การเยียวยารักษา แต่ไม่ใช่เรื่องจะเอาใจเข้าไปบวกคือไปไายทางใจเข้าไปด้วยถ้าหากว่าบุคคลพยายามปรับจิตถ้ยอมรับถึงความจริงว่าเป็นธรรมดาประการหนึ่งชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เองอย่างน้อยด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาตามที่กราบณน้จะช่วยให้บุคคลรู้จักระมัดระวังสุขภาพของตนไม่มีการกระทาไม่มีการบริโภค ในลักษณะที่เป็นสื่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดสุขภาพพลาณามัยของตอนก็เจตีเวลาคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยการรักษาพยาบาลก็รักษาพยาบาลกันไปแต่ว่าตนเองไม่เอาใจเข้าไปป่วยร่วมด้วยเพราะทําไมอย่างนั้นแล้วจะเพิ่มความทุกข์ให้ทวีคูณขึ้นแต่นั่นเอง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาปีนิจารณจนาจนปรับจิตให้ยอมรับถึงความแก่ความเจ็บที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นในเรื่องของความตายก็ทำนองเดียวกันความตายเป็นริยวิปโยคประการหนึ่งคือความเสียอกเสียใจเพราะการพลัพรากจากปยชนคนที่รัก ถึงแม้ว่าคนเราจะไปในงานศพเผาศพคนอื่นมาเป็นนั้นมากแล้วก็ตามแต่พอเอาเข้าจริงถ้าคนอันเป็นทิรักของตนตายหรือตนอื่นมีข้าหรือตนเองมีข้าวจะตายเวลาเปียชชนคนท่รักตายก็ร้องขมร้องไห้เสียอกเสียใจปริเวตนาการข้ามพวงไปด้วยระการต่างๆซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงนั้นความเสียอกเสียใจเมื่อ พ, พลาดพาจากการก็มีอยู่ แต่ถ้าบุคคลปรับจิตให้ยอมรับถึงความจริงแห่งชีวิตว่าชีวิตเราก็เป็นเช่นนี้เองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไปในงานศพคราวหนึ่งนอกจากจะไปเพื่อแสดงไมตรีจิตมิตรภาพแสดงความกตัญญูกตวเวทีแสดงความเคารพนับถือกันก็ควรจะใช้ปัญญาพิจนารนณ้อนึกเข้ามาหาตนว่าร่างกายที่ปรากฏอยู่ในโลงศพนั้นเป็นเช่น เป็นเช่นใดแม่ร่างกายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นร่างกายเราเป็นเช่นใดร่างกายคนที่อยู่ในโลงิตก็จะเป็นเช่นนั้นความสงสัยในเรื่องความตายของเรานั้นไม่มีคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆอเป็นอนุสติก็จะไม่หวาดไม่สะดุง้งเมื่อความตายปรากฏขึ้นแก่ตนในขณะเดียวกันเมื่อความตายปรากฏแก่เพียชนคนที่รัก ก็ไม่ร้องไห้คร่ำครวญเสียอกเสียใจเพราะการร้องไห้เสียอกเสียใจในลักษณะเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคนหนึ่งนั้นได้ตายไปแล้วตามธรรมดาแต่คนที่มีอยู่กลับไข้ใจเพราะอาศัยปิยวิปโยคคือการพลัดพรากจากคนและสัตว์อันเป็นที่รักปัญหาเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลบุคคลบางคน เมื่อมีการพลัดพลากบังเกิดขึ้นคุมสติไว้ไม่อยู่เพ้อคลั่งกลายเป็นบ้าไปต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าช่วยเหลือและคนเป็นจำนวนมากประสบปัญหาในลักษณะนี้เมื่อได้รับคำชี้แจงจากพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายโดยการชี้แจงแสดงถึงความจริงแห่งชีวิตว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ ไม่สามารถล่วงพ้นการเป็นเช่นนี้ไปได้ก็จะถ่ายถอนความเศร้าโศกความเสียดายลงไปและมีเป็นจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่เมื่อยอมรับความจริงเช่นนี้แล้วมองภัยมองเห็นภัยในสังสารวัตรที่คนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ ในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่จะต้องมีการพลัดพลากจากของรักของชอบใจบ้างประสบประทุกขเวทนาทต่างๆทำให้มองเห็นว่าตนเองนั้นเหมือนกำลังอยู่ที่ภายในเรือนซึ่งไฟกำลังไหม้ปรารถนาความสวัสดีแก่ตนจึงเพียรพยายามเพื่อออกไปจากเรือนที่ถูกไฟไหม้นั้น โดยการลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วบรรลุมรรคผลกันเป็นอันมากดังนั้นการปรับจิตให้ยอมรับเรื่องความตายที่จะมีแก่ตนและบุคคลอื่นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัจจเวก ค, คือพิจารณาเฉพาะลงไปกลับไปกลับมาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆ อ, อย่างที่ทรงใช้คาว่าหนึ่งเนืองคือพิจารณานึ่งเนือง ในการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเช่นเดียวกันชีวิตของคนเรานั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วแต่และชีวิตได้เกิดขึ้นมาด้วยอํานาจกรรมของตนแต่การที่มาร่วมผูกพันเกี่ยวข้องกันนั้นเพราะเหตุว่ากุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างที่บุคคลทำมามีสัสดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างในกรณีของการเกิดร่วมกันก็ส่งชี้ไว้ว่าเพราะมีศรัทธามีศีลมีจาระมะมีปัญญาในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเสมอกันก็ทำให้บุคคลเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกันในฐานสามีปัญญาบ้างในฐ า, ญญ า, านาลูกบ้างในฐานญาติพี่น้องบ้างแต่ว่าเมื่อจากไปนั้นแต่ละคนก็ต้องจากไปตามกรรมของตนเอง ไม่สามารถที่จะอ้อนวอนวงเนียวไว้ได้เมื่อถึงคราวที่จะแตกดับทุกชีวิตก็ต้องแตกดับคนเราจึงเป็นเรื่องต่างคนต่างมาแล้วก็ต่างคนต่างไปส่วนใครมาอย่างไรไปอย่างไรนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของแต่และบุคคลเพราะคนเราทํากรรมไว้ไม่เหมือนกัน เรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาปรับใจให้ยอมรับถึงความจริงในสวนดีความคิดความเห็นของบุคคลก็จะเป็นสมาธิขึ้นไปะจะไม่เศร้าโศกในเรื่องที่คนอื่นเขาเศร้าโศกจะไม่ปริเวธนาการคร่ำครวญในเรื่องที่คนอื่นเขาปริเวธนาการคร่ำครวญ และจะไม่กำหนัดขัดเคืองในเรื่องที่คนอื่นเขากำหนัดขัดเคืองเป็นต้นแน่นอนกว่าจะปรับสภาพจิตให้ยอมรับและมีคุณภาพโดยนยะดังทิกาแล้วได้ก็ต้องอาศัยการคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆมนัติการไว้ภายในใจบ่อยๆปัญญาเห็นชอบก็จะบังเกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่ง แป ว, ว่าปัจจเวคณะสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบที่เกิดขึ้นจากการพินิษพิจารณานั้นนอกจากว่าจะอยู่ในขั้นดังที่กล่าวแล้วบุคคลยังต้องใช้ในขั้นที่สูงขึ้นไปเช่นในขั้นของการเจริญกรรมฐานเมื่อความเปลี่ยนแปลงทางจิตบังเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัจจเวคณะคือพิจารณาเจาะจงลงไป เช่นว่าจิตใจของตนในขณะนี้ประกอบด้วยกิเลสอย่างใดอยด่างหนึ่งอยู่ความสงบยังไม่เกิดขึ้นก็พิจารณาให้รู้แล้วเพียรพยายามสลัดกิเลสนั้นออกไปคือเปลื่องจิตออกไปจากกิเลสบางคราวจิตเกิดสลดหดหูไม่พร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรตรวจสอบดูเห็นจิตเป็นเช่นนั้น ก็พยายามปลุกปรอบจิตของตนให้เกิดความอาจฐานพื้นเ ร, อ ง, เรองบันเทิงขึ้นมาพร้อมที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติและก็บางคราวจิตที่ดำรงมั่นอยู่ในสมาธิในอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนได้ใช้บริการได้ใช้ภาวนาอยู่ในขณะนั้นๆก็พยายามประคับประคองจิตของตนไว้ให้ดำรงอยู่ และแม้ในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือขั้นของการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาก็ต้องอาศัยปัจจเวคขณะคือพิจารณาบ่อยๆปรับใจบ่อยๆจนจิตใจของบุคคลยอมรับถึงความจริงอย่างแท้จริงแห่งชีวิตที่ทุกคนทุกชีวิตและสรรพสัตว์ทางหลายที่เกิดมาจะต้อง ตกอยู่ในกฎของประจัยหลักคือไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตาเสมอกันหมดไม่มียกเป็นและเรื่องเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันท่านก็มีบทกำหนดให้คนนำไปสวดน้อมนึกตามไปจนสามารถปรับจิตถ้ยอมรับได้เช่นอย่างบทสวดที่ท่านได้สวดกันว่า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 ในชั้นแรกเพียงแต่สวดสาทยายเมื่อคร่องปากดีแล้วใจไม่ต้องไปกาหนดในบทสวดแต่จะกาหนดระลึกตามไปว่าที่ว่ารูปไม่เที่ยงนั้นจริงไหมก็นาเอาลักษณะของความไม่เที่ยงที่ท่านแสดงไว้เช่นว่ารูปที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมมีความสลายไป ลองดูรูปอะไรรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของดูว่ามีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปจริงไหมก็จะเห็นความจริงว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆสมาธิคือปัญญาเห็นชอบในส่วนนี้ก็จะบางเกิดขึ้นหรืออาจจะดูในจุดอื่นที่ว่าความไม่เที่ยงนั้นคือความแปรปลวนเปลี่ยนแปลงแห่งรูปและนามทั้งหลาย บรรดารูปและนามทั้งหลายเหล่านั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจริงไหมดำรงอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวจริงไหมอาจจะดึงรูปหรือเอาเวทนาเอาสัญญาเอาอะไรก็ได้มาคิดมาใคร่ครวรดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไป ในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องกันไปการดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายเป็นการดำรงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนี้จิตใจที่เคยกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงหมัวเมาในสิ่งและบุคคลทั้งหลายก็จะบันเทาบาบางลงไปเพราะอะไรเพราะว่า คนเรานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับคนที่เราาำนัดคนที่เราขัดเคลืองคนที่เราลุ่มหลงและคนที่เราม่วงเบาตลอดซึงสิ่งของทั้งหลายก็อยู่ในสภาพเดียวกันแล้วจะไปคำนัดขัดเครืองลุ่มหลงอะไรกันอยู่แล้วในเมื่อทุกชีวิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรากฏอยู่ทุกขณนะ การดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายเป็นการดำรงอยู่ได้ชั่วคราวเท่า น, นั้นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของตนนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาเฉพาะเรื่องลงไปธ ร, รมะข้ออื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกว่าคนจะเกิดปัญญาเห็นชอบในเรื่องนั้ น, น, นได้ ไม่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับกา ร, รเรื่องเกี่ยวกับวิปัสนาเรื่องของเกี่ยวกับเหตุและกับผลก็บธรมจะต้องนำเข้ามาพิพนิจพิจารณาเจาะจงลงไปให้ควรบ่อยๆคิดบ่อยๆแล้วปัญญาเห็นชอบที่เรียกว่าสัมมาทิฐิก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อสัมมาทิฐิบังเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเหมือนการอุทัยของพระอาทิตย์จะค่อยๆขจัดความมืดมิด ที่ปรากฏอยู่ในโลกให้หายไปทำนาภากาศทั้งปวงให้สว่างสวเฉะนนั้นจิตใจของคนที่กรอบด้วยสมาธิิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสมาธิที่บังเกิดขึ้นนั้นจะขจัดความมืดปลอดความงมงายทั้งปวงที่มีอยู่ให้บรรเทาบาบางลงไปตามกำลังแห่งสมาธิที่บังเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป